โมคราชมานวกะปัญหานิเทศที่15ท่านพระโมคราชทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระส ก, กะข้าพระองค์ได้ทูลถามสองครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักรสุไม่ได้ทรงพยากลแก่ข้าพระองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระเทพฤาษีมีผู้ถามปัญหาเป็นครั้งที่สมย่อมทรงพยากล คือท่านพระโมคคราชเนี่ยนะพอจบอชิตะมานพท่านก็ถามพระองค์ไม่ตอบ น, นะนะเพราะว่าอินทรีย์ยังไม่แข่กล้าตอบก็ไม่บรรลุเนี่ยนะพอท่านที่สองถามปัญหาอีกพระองค์ก็ไม่ตอบอีกเนี่ยนะก็รอรอจนกว่ามาถึงระดับเนี่ยเลยถามปัญหาเป็นครั้งที่สามนั้นเขาได้ฟังมาว่าถ้าถามถึงครั้งที่สามแล้วพระองค์จะตอบว่างั้นตอนนี้อินทรีย์แก็กล้าละ คำว่าฆ่าแต่พระสกตะข้าพระองค์ได้ทูลถามสองครั้งแล้วความว่าพราหมณ์นั้นได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสองครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพราหมณ์นั้นทูลถามปัญหาไม่ทรงพยาการในลำดับแห่งพระจักษุว่าความแก่รอบแห่งอินทรีย์ของพราหมณ์นี้จะมีคือต้องรออีกระยะหนึ่งและจากอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นคือให้ฟังปัญหาคนอื่นๆไปก่อนอนะ การฟังปัญหารอเอกระยะหนึ่งก็ทําให้อินทรีย์แก่กล้าคําว่าฆ่าแต่พระส ก, กะนี่นะอีกอย่างหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์มากเพราะเหตุดังนี้จึงทรงพระนามว่าส ก, กะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีทรัพย์เหล่านั้นคือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือฮิริโอตตะทรัพย์คือสุตะจาระและปัญญา ซับคือสติประธานสมรภทา น, มมทานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมัสมีองค์8เนี่ยนะมักผลนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมั่งคัง่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์ด้วยทรัพย์อันเป็นรัตนะหลายอย่างอย่างนี้แม้เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามวาสักกะก็คือมีอริยซัพย์7ประการมีทรัพย์คือโพธิปัจฉิยธรรมผลนิพพานนั่นเองอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อาจ ผู้องค์อาจผู้สามารถมีความสามารถผู้กล้ า, เ ป, ลาเป็นผู้กล้าวกล้าเป็นผู้ก้าวหน้าผู้ไม่ขาดผู้ไม่หวาดเสียวผู้ไม่สะดุ้งผู้ไม่หนีละความกลัวความขาดเสียแล้วปราศจากขนลุกขนพองแม้เพราะเหตุดังนี้จึงทรงพระนามว่าสกะข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วก็คือข้าแต่พระส ก, กะข้าพระองค์ได้ทูลถามทูลขอทูลเชื่อเชิญทูลให้ทรงประสาทแล้วสองครั้งเนี่ยนะ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงพยากร์เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักสุไม่ได้ทรงพยากรณ์คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุด้วยจักสุห้ประการเนี่ยคือ 1. นึมังสาจักสุ 2. ทิพจักสุสปัญญาจักสุ4พุทธจักสุ5สมัญตะจักสุข้อแรกเลยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยมังสะจักสุอย่างไร คือสีมีห้าอย่างนะในพระเนตรน่ะคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำและสีขาวย่อมปรากฏแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในมังสะจักสุเริ่มตั้งแต่ขนพระเนตรตั้งอยู่เฉพาะในที่ใดที่นั้นมีสีเขียวเขียวดีหน้าดูหน้าชมเหมือนสีดอกผักตบเนี่ยนะขนตาเนี่ยนะเหมือนดอกผักตบที่ถัดนั้นเข้าไปมีสีเหลืองเหลืองดี สีเหมือนทองคําหน้าดูหน้าชมเหมือนดอกกัญชาเหลืองส่วน เ, บ, เนนนนะบ้าพระเนธทั้งสองนะเบ้าพระเนธทั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีสีแดงแดงดีหน้าดูหน้าชมเหมือนสีปีกมแมลงทับทิมอันเนหะมือนสีปีกมแมลงทับทิมทองคําว่าที่ท่ามกลางเนี่ยนะกลางตาเนี่ยมีสีดําดําดีไม่มัวมองดําสนิทหน้าดูหน้าชมเหมือนสีอิฐแก่ไฟ ที่ถัดนั้นเข้าไปมีสีขาวขาวดีขาวล้วนขาวผ่องหน้าดูหน้าชมเหมือนสีดาวประกายพรึกนนะก็ภาษาบุตรเนี่ท่านดูพระผู้มีพระภาคดูละเอียดนะ น, นะดูเจาะลึกไปในแววตาเลยว่างั้นแล้วก็พิจารณาถึงสมุธฐานด้วย น, นะว่าตาของพระผู้มีพระภาคมีอะไรเป็นสมุธฐานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมังสะจกสักษุเป็นปกตินั้นนะ่ะ เนื่องในพระอัตภาพอันเกิดขึ้นเพราะสุดจริตกรรมในพบก่อนก็พิจารณารูปพร้อมทั้งสมุทฐานเนี่ยนะย่อมทอดพระเนตรเห็นตลอดที่โยึ่งโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืน1ันกรอบโดยรัศมีเนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็เห็นหมดอนะ่ะแม้ในเวลาใดามีความมืดประกอบด้วยองค์ีคือดวงอาทิตย์อัสดงคตแล้วหนึ่งวันอุโบสถข้างแรมหนึ่ง แนวป่าทึบหนึ่งอาการละเมฆใหญ่ตั้งขึ้นนึ่งในความมืดประกอบด้วยองค์สี่เห็นป่า น, นั้นในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นตลอดโยตหนึ่งโดยรอบไม่ว่าจะเป็นหลุมบานประตูกำแพงภูเขากอไม้หรือเถาวันไม่เป็นเครื่องกัน้นในการทอดพระเนตรเห็นรูปทั้งหลายเลยหากว่าบุคคลพึงเอามเมล็ดงานเนื้อมล็ดหนึ่งเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายใส่ลงในเกวียนสําหรับบรรทุกงา บุคคลนั้นเพิ่งเอามาเล็ดงานนั้นนะขึ้นมังสวะจักสุเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยมังสะจักสุอย่างนี้แสดงว่าเอกเสระได้สบายสบาเลยนะถตาขนาดนี้นะเอกเสระสบายสบาเลยนะไม่ต้องใช้เครื่องแล้วความใสของตาเนี่ยนะพอดูภูเขายังดูทะลุเลยอ่ะนนจะกล่าวไยใหญแค่ร่างกายบอบบางขนาดนี้นะเพรานพระองค์นี้ก็ เห็นหมดโดยรอบมังสะจักสุแม้กระทั่งกลางคืนมืดยังดูได้อะวางมาเมล็ดงานเนี่ยเก็บของในโกดังมืดเนี่ยนะให้ฟ อ, องไปหยิบหยิบมาได้สบายๆเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยสายตาเนี่ยตาธรรมดาเนี่ยไม่ได้ตาทิพตาอไรหรอกแต่ว่าตาธรรมดาที่ตาของผู้มีบุญนะตาของผู้ทำบุญไวนน้ดีนี่ก็เป็นแบบนี้ถ้ใครอยากตาดีก็ทำบุญประเภทแสงสว่างไว้เยอะๆเ น, นะตาก็จะได้เริ่มไม่มีปัญหา คุมิโชก็ทําบุญประเภทแสงสว่างไว้เยอะๆหน่อยถ้าตามชักมีปัญหาก็แสดงว่าทําบุญประเภทนี้น้อยไปนหน่อยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยทิพจักสุอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมพิจารณาเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประเนตได้ดีตกยากล่วงตามมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะก็คือรู้แม้กระทั่งกรรมและผลของกรรมทําทุจริต ทุจริตทางกายวาจาใจเป็นมิจฉาทิฏฐิเตียนพระเรียเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าสุอบายทุกติวินิบาติรกหรือว่าประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระเรียเจ้าประกอบกรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะนั้นพระองค์แน่ทรงเห็นหมูสัตว์อย่างนั้นอ่ะด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมทรงทราบชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชานี <c oughs> <c oughs> <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงประสงค์จะดูโลกธาตุหนึ่งก็ดี2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2 0ห0เ0็0แ0ดเ0้0ส0 0 0 0่สิบรพเนี่ยนะโลกธาตุนี่พระองค์ดูได้หมดเลยหรือว่าโลกธาตุพระองค์ประสงค์จะดูเท่าใดดูได้ขนาดนั้น ก็ทรงเห็นโลกธาตุเท่านั้นที่ประจักสุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยที่พระจักสุอย่างนี้เนี่ยนะมองเห็นได้ไกลขนาดไหนเห็นได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอันนี้ดูด้วยอนุภาพของตาทิพย์นี่มาดูปัญญาจักสุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยปัญญาจักสุอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระปัญญาใหญ่มีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาไว มีพระปัญญาคมกล้ามีพระปัญญาทำลายกิเลสทรงฉลาดในประเภทปัญญามีพระยานแตกฉานทรงบรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาแลว้วถึงแล้วซึ่งเวสารัชยานสี่ทศพลยานสิบทรงเป็นผู้องอาจทรงเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษอาชาในาเป็นบุรุษนําธุระไป มีญาณไม่มีที่สุดมีเดชไม่มีที่สุดมียศไม่มีที่สุดเป็นผู้มั่งคั่งมีรับมากนับว่ามีซับรั์คือปัญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะทั์คือปัญญาเป็นพิเศษเนะี่ยเป็นผู้นำนำไปให้วิเศษนำเนืองๆให้เข้าใจให้เพ่งพินิษเป็นผู้ตรวจให้เลื่อมใส พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงยังประชาชนให้เข้าใจมักที่ยังไม่เข้าใจตรัสบอกมักที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้มักทรงรู้แจ้งมักฉลาดในมักก็แหละในบัดนี้พระสาวกทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินไปตามมักประกอบอยู่ในภายหลังอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นะทรงรู้อยู่ชื่อว่าทรงรู้ทรงเห็นอยู่เชื่อว่าทรงเห็น เป็นผู้มีจักสุมีญาณมีธรรมะมีคุณอันประเสริฐเป็นผู้ตรัสรู้บอกธรรมะนะเป็นผู้ตรัสบอกธรรมะตรัสบอกทั่วไปทรงแนะนำประโยชน์ประธานอมะตะธรรมเป็นพระธรรมสามีเสด็จไปอย่างนั้นบทธรรมที่พระองค์ไม่ได้ทรงรู้ไม่ได้ทรงเห็นไม่ได้ทรงทราบไม่ได้ทรงทำให้แจ่มแจ้งไม่ได้ทรงถูกต้องไม่มีเลยนันทุกอย่างพระองค์รู้หมดละ ธรรมะทั้งหมดรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่คลองมุกในพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงขึ้เชื่อว่าบทธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรแนะนําควรรู้มีอยู่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าประโยชน์ตื่นประโยชน์ลึกประโยชน์เปิดเผยประโยชน์ลี้รับประโยชน์ที่ควรแนะนําประโยชน์ที่แนะนําแล้ว ประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ไม่มีกิเลสประโยชน์เขาวประโยชน์อย่างยิ่งแม้กระทั่งประโยชน์คือพระนิพพานเนี่ยทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปในภายในพระ ย, ยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกอย่างที่เรียกว่าประโยชน์เนี่ยรู้หมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดย่อมเป็นไปตามพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะผู้ตรัสรู้แล้วมีพระยานไม่ได้ขัดข้องในอดีตอนาคตปัจจุบัน บทธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระยานก็เท <know. S 2> <ikka> ่านั้นพระยานเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็เท่านั้นพระยานมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนำมีพระยานเป็นที่สุดพระยานไม่เป็นไปล่วงบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่ล่วงพระยานธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกัน ลิ้นพระอบสองลิ้นเนี่ยนะสนิทกันลิ้นพระอบข้างล่างก็ไม่เกินลิ้นพระอบข้างบนลิ้นพระอบข้างบนก็ไม่เกินลิ้นพระอบข้างล่างลิ้นพระอบทั้งสองนั้นน่ะตั้งอยู่ในที่สุดแห่งกันและกันฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีบทธรรมที่ควรแนะนําและพระญานตั้งอยู่ในที่สุดแห่งกันและกันก็ฉะนั้นเหมือนกันบทธรรมที่ควรแนะนําเท่าใดพระญานก็เท่านั้นพระญานเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนําก็เท่านั้น พระยานมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนำมีพระยานเป็นที่สุดพระยานไม่เป็นไปล่วงบทธรรมทีท่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมทีท่ควรแนะนำก็ไม่เป็นไปล่วงพระยานธรรมะเหล่า น, นั้นตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมะทั้งปวงเนื่องด้วยอวัชนะเนื่องด้วยนึกเอานะนึกจะรู้อะไรก็รู้เลย เนื่องด้วยกังขาอากังขาคือความประสงค์จะรู้เนี่ยนะเนื่องด้วยมนสิการเนื่องด้วยจิตตุบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวงขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังทราบฉันทะเป็นที่มานอนอนุสัยจริตอธิมุดของสัตว์ทั้งปวงทรงทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลส ด, ดังทุลีในดวงตาคือปัญญาเนี่ยน้อยเป็นผู้มีทุลี ใ น, ในดวงตาคือมีปัญญามากคือรู้ว่าไอ้นี่กิเลสเข้ามากนะกิเลสน้อยปัญญามากปัญญาน้อยมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วให้รู้ได้ง่ายให้รู้ได้ยากเป็นพระภาพ菩萨อภ菩萨โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกมูสสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในแห่งพระพุทธญาน เหมือนปลาและเต่าทุกชนิดโดยที่สุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรปลาทุกตัวมันไม่มีล้นทะเลอยู่แล้วขงฉันชั้นใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญานก็ชั้นนั้นพระพุทธญานกว้างขวางเหมือนทะเลนะอารมณ์ทุกอย่างเหมือนกับสับที่อยู่ในทะเลอนกทุกชนิดโดยที่สุดรวมทั้งครุตสกุลเวนไตเนี่ยนะ บินไปในประเทศอากาศชั้นใดพระสาวกทั้งหลายด้วยอ น, นะพระสาวกทั้งหลายเนี่ยเสมอด้วยพระสารีบุตรโดยปัญญาเนี่ยย่อมเป็นไปในภายในประเทศแห่งพระพุทธานก็ฉันนั้นก็ น, นกทึกตัวมันก็บินไปในอากาศนะ น, นะผู้มีปัญญาทั้งหลายก็รวมลงอยู่ในพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะนะพระพุทธานย่อมทรงแผ่ ป, ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกษัตริย์พรามเคหบดีสมณะที่เป็นบัณฑิต มีปัญญาละเอียดมีวาทะโต้อตอบได้กับผู้อื่นเป็นดังนายขมังธนูยิงขนทรายแม่นบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเป็นประหนึ่งว่าเที่ยวทําลายทิฏฐิเขาด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นปรุงแต่งปัญหาเข้ามาเฝ้าพระตถาคตแล้วทูลถามปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกและตรัสแก้แล้วทรงแสดงเหตุและอ้างผลแล้วบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ในลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมภัยโรธยิ่งขึ้นด้วยพระปัญญาในสถานที่นั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่ามีพระจักสุแม้ด้วยปัญญาจักสุอย่างนี้ก็คือฉลาดรอบฉลาดรู้เกินกว่าสรรพสัตว์ทุกประเภทนะไม่ว่าใครมีปัญหาปัญญาละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนก็พระ อ, องค์แก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมด